เสียงอานหนังสือบันทึกกรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัตธโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระนามปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรหลวงวชิรญาณสังวรเทศนาอบรมการปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาด้วยแนวทางสายเอกจากมหาสติปัฏฐา น, นาสูตรหรือสติปัฏฐานสี่ ครบทุกขั้นตอนในแบบกระชับเข้าใจง่ายแต่คงใจความสำคัญไว้ครบท้วนอ่านโดยอริยะคุณจมรมพลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยเนรอมลตั้งสกุลภัยสารขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ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 ศึกษาคือสำเนียกกำหนดกายใจทั้งหมดหายใจออก 4. ศึกษาคือสำเนียกกำหนดสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจหายใจเข้าศึกษาคือสำเนียกกำหนดสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายอันหมายถึงลมหายใจหายใจออก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 กำหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียวในการที่ตั้งสติกำหนดอยู่ที่จุดเดียวนี้เพื่อจะให้จิตกำหนดมั่นคงท่านก็สอนวิธีเป็นอุบายสาหรับช่วยต่างๆเช่นสอนให้นับดังในวิสุทธิมรรคสอนให้นับนับช้านับเร็วนับช้าก็คือหายใจเข้านับหนึ่ง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 หนึ่งต้องมีอาตาปะแปล ว, ว่ามีความเพียรหมายความว่าตั้งใจไว้ว่าจะทำสมาธิเป็นเวลาเท่าไหร่เมื่อไรก็ต้องทำตามที่ตั้งใจรักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงเอาไว้แล้วก็ทำให้ได้จริงตามที่กำหนดไว้ไม่ให้เหลวไหลเบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้ 2. ต้องมีสัมปช ana คือความรู้ตัวคือให้มีความรู้อยู่เสมอไม่ให้เผลอตัวยิ่งสมาธิละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องให้มีความรู้แจ่มใสขึ้นเท่านั้นถ้าหลับไปเสียหรือว่าดับไปเสียเช่นว่าปล่อยใจให้ตกวู้ไปก็จะเป็นสับ ป, ปกหรือว่าเป็นหลับไปหรือว่ า, าเธอเผลอตัวดังนี้ ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะไม่ถูกต้องต้องให้มีสัมปชานะคือความรู้อยู่ 3. ส, สติคือความระลึกกาหนดต้องมีสติระลึกกําหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธินั้นให้แน่วแน่อย่าปล่อยให้สติเลื่อนลอยถ้าปล่อยให้สติเลื่อนลอยไปก็จะกลายเป็นคนใจลอย กลายเป็นมีโทษเท่ากับว่ามหัดให้เป็นคนใจลอยเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติกำหนดไว้ที่อารมณ์ของสมาธิให้มั่นคงปลับไปข้างไหนก็ต้องจับเข้ามาเอาไว้ที่อารมณ์ของสมาธินั้นและข้อที่สี่ไม่ยินดียินร้ายอะไรๆในโลกนี้ ในตอนนี้ก็หมายเพียงแต่ว่าไม่ยินดีในอารมณ์ของสมาธิไม่ยินดีในนิมิตของสมาธิที่ปรากฏซึ่งเป็นตัวกิเลสเพราะถ้าไปยินดีในอารมณ์ของสมาธิก็อาจที่จะทําเกินพอดีอย่างบางคนนั่งจนไม่รู้เวลาที่จะพักไม่รู้เวลาที่จะบริโภคถ้ายิ่งไปติดไปเพลินในนิมิตของสมาธิด้วยแล้วก็จะยิ่งไปกันใหญ่ ในด้านตรงกันข้ามก็เหมือนกันต้องไม่ยินร้ายในอารมณ์ของสมาธิในนิมิตของสมาธิคือเมื่อตั้งใจจะทำแล้วถึงตอนต้นจะไม่ชอบต้องพยายามฝืนใจไปทาไปให้จงได้และเมื่อประสบนิมิตที่ไม่ชอบก็ต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของจริงแต่เป็นของที่เป็นสัญญชาคือเกิดจากสัญญาความจาได้หมายรู้ หรือเป็นภาพอุปาทานทั้งนั้นไม่มีความจริงอะไรไม่ให้เกิดความยินดีตื่นเต้นในอารมณ์ในนิมิตของสมาธิไม่ให้เกิดความยินร้ายตกใจกลัวในอารมณ์ในนิมิตของสมาธิทุกๆอย่างทำความรู้ให้ตั้งมัน่นทำสติให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นจนกว่าจะหมดเวลาที่เราได้กาหนดไว จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานเห็นได้ชัดดังเช่นในการอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยวและยังจะกำหนดความให้เกิดความเข้าใจก็ไม่เคยได้จาก็ไม่เคยได้แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ก็จะอ่านได้รวดเร็วกว่าและจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่า เพราะฉะนั้นการที่หัดทำสมาธินี้จึงเป็นกิจที่ชอบอาจจะใช้จิตที่เป็นสมาธินี้ไปเล่าเรียนศึกษาหรือจะไปบันเป็นประโยชน์อะไรก็ได้เป็นอันมากตามที่แสดงมานี้เป็นเรื่องของอาณาปานาสติโดยย่อก็เพียงนี้ มาเหตุผู้อ่านให้สังเกตคำหลักให้ดีนะครับว่าการทาสมาธิบับพุธนั้นคือให้รู้เน้นที่คำว่ารู้ไายใจสั้นหรือยาวก็ให้รู้คือมีสติ ก, กำกับไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะครับ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 ประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อเนื้อหารูเอนอธิกระดูกอธิมิจฉงเยื่อในกระดูกวักกังไต หันทยังหัวใจยักกนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหกังม้ามประพาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะกุนังสายรัดไสอุตรยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าปิดตังดีเสมหัง สเลดอบโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงือ่อเมโทมันข้นอสุน้ำตาวาษามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาไขข้อ ม, มุดตังมูดหรือน้ำปัสสาวะ รวมเป็นอาการส1อกับในที่อื่นท่านแสดงไว้อีกหนึ่งคือมัทเกมัทหลุงคังขมองมันสมองในขมองศีษะรวมเป็นอาการ32การตั้งสติระลึกไปในกายซึ่งประกอบด้วยอาการ31อหรือ32ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลดังกล่าวมานี้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 ทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยที่เกิดทั้งโดยที่อยู่เห็นได้ง่ายเพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเองเมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ํำระล้างความปฏิกูลก็ปรากฏขึ้นทันทีทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติธรรมดาของอาการเหล่านี้มีความเป็นของปฏิกูลแต่โดยปกติไม่ได้กำหนดไม่ได้พิจารณาซ้ายังมีการตกแต่งแก้ไข จึงไปติดอยู่ที่การตกแต่งแก้ไขแถมมีสันทราคะมาประกอบก็ทำให้เห็นเป็นที่น่ายินดีแต่เมื่อเพิกอาการตกแต่งแก้ไขที่ปกปิดความปฏิกูลนั้นออกเสียความปฏิกูลปรากฏขึ้นแก่ใจสันทราคะก็จะหายไปเพราะความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นค่าศึกต่อสันทราคะหรือกามฉัน ความปฏิกูลปรากฏขึ้นเมื่อใดกามฉันหรือสันธราคะก็หายไปเมื่อนั้นในวิธีกำหนดนี้จะกำหนดยกออกไปทีละอย่างก็ได้คือกำหนดให้เห็นเกศาผมแล้วก็ยกเอาผมออกไปกำหนดให้เห็นโลมาคือขนแล้วก็ยกเอาขนออกไปนัาขาเล็บ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 ก็เป็นบทประกอบเข้าเพราะประสงค์ให้มีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะดังที่กล่าวมาแล้วแกยคตาสตินี้ควรจะหัดพิจารณาอีกข้อหนึ่งเพราะนอกจากทำจิตใจให้เป็นสมาธิยังอาจเป็นเครื่องกำจัดกามฉันหรือฉันทราคะได้ด้วยส่วนอาณาปนาสตินั้นเป็นสมาธิได้ดี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 แต่ไม่ได้ผรนปรนเอากิเลสออกไปบ้างเมื่อจิตมีกำลังและมีกิเลสหนุนอยู่กิเลสไม่ถูกผรนปรนออกเสบ้างเมื่อกราประสบอารมณ์ที่เป็นเหตุยั่วราคะราคะก็เกิดแรงเมื่อประสบอารมณ์ที่เป็นเหตุยั่วโทสะโทสะก็เกิดแรงแรงกว่าไม่ได้ทำสมาธิส่วนกายคตาสตินี้ เสววิปัสสนาไปในตัวด้วยก็เป็นการพ่อนปลนกิเลสกองราคะออกไปได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อหัดเจริญไว้และออกจากสมาธิอันนี้แล้วเมื่อถูกอารมณ์ที่เป็นเครื่องยั่วราคะมายั่วก็จะไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะจิตใจเคยกำหนดอยู่ในความปฏิกูลก็ยอมจะเห็นปฏิกูลได้ง่ายฉะนั้นในเวลาที่บวชพระอุปชัยยะ ท่านจึงสอนตจัปปัญจ ก, กรรมฐานคือยกขึ้นสอนเพียงหข้อเกษาโลมานาคาทันตาตาโจสําหรับจะได้พิจารณาเป็นเครื่องมือในเวลาที่บวชอยู่เมื่อมีกรรมฐานอันนี้คู่ใจอยู่ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เรียบร้อยดีถ้าขาดกรรมฐานข้อนี้พรหมจรรย์ก็จะเร่าร้อนเพราะฉะนั้น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 วิธีทําจิตให้เป็นสมาธิอีกข้อหนึ่งคือธาตุกรรมฐานหรือที่เรียกว่าธาตุววัฏานะหรือธาตุววัฏฐานการกําหนดธาตุคาว่าธาตุนั้นแปล ว, ว่าทรงไว้คล้ายกับคําว่าธรรมะมาใช้ในภาษาไทยในความหมายว่ารากหรือมูลรากซึ่งหมายถึงต้นเดิมหรือหมายถึงส่วนที่คงที่ไม่ใช่ส่วนผสม เมื่อมามายอย่างนี้ก็เลยมีความเห็นค้านธาตุในพระพุทธศาสนาว่ายัางไม่ได้เป็นธาตุแท้เช่นธาตุดินก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ธาตุน้ำก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ดังที่แยกได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อก่อนนี้ก็มีแสดงสิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้เป็นอย่างๆในบนัดนี้สิ่งที่ว่าเป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ใช่เสแล้วเพราะทุกๆอย่าง วิทยาศาสตร์ในบัดนี้ก็บอกว่ามาจากอะตอมซึ่งแยกออกไปได้เป็นส่วนประกอบต่างๆเพราะฉะนั้นธาตุแท้ในทางโลกก็ยังไม่แน่นอนยังเป็นแต่เพียงยุติกันด้วยกำหนดคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วสมมุติกันว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งหนึ่งส่วนธาตุในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายถึงว่าคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่สรุปรวมสิ่งที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันเข้าด้วยกันและแสดงไว้ว่าในร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมและในบางพระสูตรก็แสดงธาตุห้าคืออากาศธาตุธาตุอากาศเพิ่มเข้าอีกหนึ่ง อะไรบ้างเป็นาธาตุเหล่านี้ท่านกรชีวไว้สำหรับให้พิจารณาคือในร่างกายอันนี้เกษาผมโลมาขนนัขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมิชังเยื่อในกระดูกวกกังไต ั่ายังหัวใจยากนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหกัง ม, ม้ามปัปผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัดไส้อุตรียังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าและสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะแข็งแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดิน คือเอาลักษณะแข่นแข็งปิดตังดีคือน้ำดีเสมหังสเสรลฐปุกโพน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือดเศทโทน้ำเงือเมโทมันคข้นอสุน้ำตาวาสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาศิกา ไข่ข้อมุตตังมูดหรือน้ำปัสสาวะและส่วนอื่นที่มีลักษณะเอิบอาบเรียกว่าอาโปธาตธาตน้ำนี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบส่วนไฟนั้นก็ได้แก่เยนาจะสันตปติไฟทำให้ร่างกายอบอุน่นเยนาจะชิรยติ ไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมเยนะปริัยหติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนะอสิตาปีตากายิตะสายิตังสัมมาปริรนามังคัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยได้และไฟอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นก็เรียกว่าเป็นเตโชธาต ธาตุไฟนี้เอาลักษณะที่เราร้อนหรือรุ่มร้อนส่วนที่เป็นลมนั้นก็ได้แก่อุดทังขางมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทขามาวาตาลมที่พัดลงเบื้องต่ำกุดจิตสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องคือในกระเพาะอาหาร โกดทัสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้อังคังคานุสาวิโนวาตาลมที่พัดไปตลอดอวัยวะน้อยอวัยวะใหญ่และอัศาโสลมหายใจเข้าปัสาโสลมหายใจออกหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพัดไหวเรียกว่าวาโยธาธาตุลมนี่ก็เอาลักษณะพัดไหว อาสาสะนั้นในวิสุธทธิมักแสดงไว้ว่าลมหายใจออกปัสสาสะแสดงไว้ว่าลมหายใจกลับคือลมหายใจเข้าเพราะอธิบายว่าเมื่อเด็กคลอดออกมาจากคัภมาดานั้นหายใจออกก่อนแล้วจึงหายใจเข้าและคำว่าอาสาสะนำหน้าปัสสาสะเมื่อเป็นเช่นนี้อาสาสะจึงได้แกล่ลมหายใจออก ซึ่งเป็นลมหายใจครั้งแรกของเด็กและปัสสาสะจึงเป็นหายใจเข้าแต่ก็มีอาจารย์อื่นแปลกลับกันว่าอาสาสะหายใจเข้าปัสสาสะหายใจออกคราวนี้ถ้าจะพิจารณาว่าเด็กเมื่อคลอดออกมาที่แรกนั้นหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนอันนี้ก็จะต้องศึกษาในทางแพทย์ดูแต่ในทางปฏิบัินั้นก็ม่ถือเป็นสาคัญนัก ต้องการให้กำหนดก็แล้วกันคือให้รู้ของจริงในปัจจุบันหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ส่วนสาบที่เป็นสมมุติบัญญัตินั้นก็สุดแต่จะใช้ถ้าต้องการจะรู้ความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องไปค้นทางตำราแพทย์หรือไปถามแพทย์ดูอีกทางหนึ่งส่วนอากาศนั้นก็ได้แก่ กันนจิตทางช่องหูนาสัตจิตทางช่องจมูกมุขาจิตทางช่องปากเยนาอสิตาปีตาคายิตะสายิตังอโชหารติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มกลืนผ่านลงไปยะทะอสิตาปีตาคายิตะสายิตังติดทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่ และเยนาจะอาศิตะปีตาขายิตาสายิตังอโทภาคานิขามติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มออกไปภายนอกหรือว่าช่องว่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอากาศาธาตุนี้ก็เอาลักษณะที่เป็นช่องว่างการจัดธาตุและระบุอวัยวะระบุลักษณะที่เป็นาธาตุดังกล่าวนี้ แสดงตามที่จัดไว้ในพระคัมภีร์แสดงความรู้ในทางกายวิภาคที่จะพึงหยิบยกมาเป็นทางพิจารณาทรท่าทางกรรมฐานในบัดนี้ถ้าผู้ที่รู้วิชาแพทย์รู้วิชากายวิภาคจะมาจัดระบุ ข, ขึ้นตามในตำราปัจจุบันก็อาจจะได้เห็นความละเอียดพิสดารขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่มีใครทําถ้าผู้ที่เรียนแพทย์มาทําขึ้นได้จัดตามตำราแพทย์ในปัจจุบันได้ ก็จะดีเหมือนกันในร่างกายอันนี้เมื่อไม่พิจารณาแยกธาตุดูรวมๆกันอยู่ก็ เ, เป็นก้อนเป็นแท่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนและเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็มีเรื่องกระวนกระวายต่างๆสืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกธาตุคือดูลงไปว่าก้อนที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนนั้น มีอะไรบ้างและตัวตนอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้แยกออกไปทีละส่วนก็จะพบว่าเป็นธาตุดินบ้างเป็นธาตุน้ำบ้างเป็นธาตุไฟบ้างเป็นธาตุลมบ้างเป็นธาตุอากาศบ้างในทางสรีราศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็มีแสดงไว้ว่าช่องว่างในร่างกายมนุษย์นี้มากมายถ้าหากว่าจะยุบให้เป็นก้อนเข้าจริง โดยไม่ให้มีช่องว่างเลยตัวมนุษย์เรานี้ก็จะเล็กเหลือนิดเดียวผู้นั้นเขาว่าเท่าขนาดหัวไม่ขีดจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อพิจารณาดูย่อมจะรู้สึกว่าช่องว่างในตัวเรานี้มากมายเหลือเกินดูด้วยกล้องจึงจะรู้สึกยิ่งกล้องนั้นละเอียดเท่าไรก็ยิงจะเห็นโปรในร่างกายเรามากขึ้นเท่านั้น คราวนี้มาพิจารณาดูถ้าสมมุติว่าหยิบออกไปวางเสถียระยางหยิบเอาธาตุดินไปเสก่อนแล้วหยิบเอาธาตุน้ำออกไปหยิบเอาธาตุไฟออกไปหยิบเอาธาตุลมออกไปก็เหลือแต่อากาศคือช่องว่างๆอยู่เท่านั้นเดิมก่อนที่จะมาเป็นร่างกายอันนี้ก็เป็นอากาศธาตุอยู่เมื่อธาตุทั้งหลายมาประกอบกันเข้าเป็นสังขาร จึงได้เป็นร่างกายอันนี้และเมื่อธาตุทั้งหลายเหล่านี้แยกออกไปก็มาเป็นอากาศธาตุคือเป็นช่องว่างตามเดิมการกําหนดธาตุดังกล่าวมานี้จะเห็นัแต่ว่าเป็นธาตุก็จะทำให้เห็นความว่างเปล่าจากตัวจากตนรอสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็พบแต่ว่าเป็นธาตุทั้งนั้น ถ้าจะแยกอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือว่าแยกออกไปออกไปก็เป็นอะตอมอะตอมทั้งหมดบรรจุอยู่ในอากาศสธาติคือช่องว่างเมื่อแยกอะตอมออกไปอีกทีหนึ่งก็เหลือแต่อากาศสธาติคือช่องว่างนี้เรียกว่าเป็นธาตุกรรมฐานทำให้เกิดสมาธิคือความสงบตั้งมั่นด้วยและแกมวิปัสสนาปัญญาก็เห็นแจ้งด้วย เราทาให้ความเห็นเป็นอนัตตาประกอบไปด้วยกันนวศีวัธิกาปภ ะ, ะได้แสดงวิธีปฏิบัติมาแล้วเรื่องการทำอนาปานสติ การทำสัมปัตชัญญาในอิริยาบถใหญ่ในอิริยาบถน้อยและกายยาคตาสติสติที่ระลึกไปในกายตามอาการ3 1หรือ32ที่นับเป็นปัทวีธาตุและอาโปธาตุกับได้แสดงทาตุววัฏฐานกาหนดธาตุหรือว่าธาตุกรรมาฐานตามที่กล่าวมาแล้วนั้นพิจารณากายที่ยังมีชีวิตคือกายที่ยังมีลมหายใจ เคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆได้มีอาการของกายต่างๆยังทํางานได้ตามหน้าที่ธาตุต่างๆก็ยังรวมกันอยู่เป็นอุปถินนะคือมีใจครองเรานี้เมื่อธาตุต่างๆแตกสลายหยุดหายใจหยุดเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆอาการต่างๆของกายหยุดทําหน้าที่ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพฉะนั้นจึงมีวิธีสอนให้พิจารณาศพ ศพที่ตายแล้วจริงๆที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้านำมาพิจารณาเทียบกับกายนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสุภะหรืออสุแปลว่าไม่งามในที่อื่นว่าไว้สิบแต่ในสติปัฏฐานจำแนกไวก้าหมวดคือหมวดที่หนึ่งพิจารณาศพที่ตายที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้าตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นพอง มีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำหนองไหลแล้วเทียบเข้ามาที่ร่างกายอันนี้ว่าก็จะเป็นเช่นเดียวกันหมวดที่สองพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้นที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินคือว่าถูกกาถูกแรงถูกนกตะกรุ่มถูกสุนัขถูกสุนัขจิ้งจอกกัดกินถูกปานชาติต่างๆกัดกินแล้วน้อมเข้ามาว่า กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่สามพิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดแล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่สี่พิจารณาศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อแต่ว่ายังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นรึงรัดแล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่ห้าพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดหมดสิ้นไปแต่ว่าโครงกระดูกนั้นยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้คุมกันอยู่กับร่างแล้วก็น้อมนํามาเทียบกับกายอันนี้ ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่หพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรัดรึงกลายเป็นกระดูกที่กระจัดกระจายเรียราดกระดูกมือก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกเข่าก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกขาก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลังก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกซี่โครงก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกอกก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกหัวไหล่ก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกคอก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกคางก็หลุดไปทางหนึ่งกระดูกฟันก็หลุดไปทางหนึ่งจนถึงกระโหลกศีรษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่งเรียรายกระจัดกระจายและน้องมาเทียบกับกายอันนี้ ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่เจ็ดพิจารณากระดูกที่หล่นเรี่ยราชอยู่ในป่าชานั้นมีสีขาวมีสีแสงเหมือนสีสังน้องมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่8ปดพิจารณากระดูกที่เรี่ยราชอยู่ในป่าช้านั้นซึ่งรวมอยู่เป็นกองกองเป็นส่วน มีอายุพ้นหนึ่งปีออกไปและพิจารณาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่เก้าก็พิจารณากระดูกเหล่านั้นที่เป็นกระดูกปนละเอียดสิ้นรูปร่างสิ้นสมมติบัญญัติว่าเป็นกระดูกหมดสิ้นไปและนำมาเทียบกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น รวมเป็นนวสีวติกาปัปภะข้อที่ว่าศพในปัชชาเก้าข้อพิจารณาตั้งแต่เป็นศพตายใหม่ๆจนถึงกระดูกผุปนเป็นอันว่าหมดสิ้นไปร่างกายอันเดิมนี้ก็ไม่มีมีแต่อากาศาธาตุช่องว่างหรือที่ว่างเปล่าไปทั้งนั้นแต่ครั้นเมื่อก่อเกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาก็มาเป็นสิ่งหนึ่งและในที่สุดสิ่งต่างๆที่มาก่อขึ้นนั้น ก็จะสลายไปหมดกลับเป็นไม่มีความที่เคยเปลืองที่อยู่นั้นก็สิ้นไปก็กลับเป็นที่ว่างเป็นอากาศธาตุไปตามเดิมไม่มีอะไรตามที่กล่าวมาอนี้เป็นวิธีพิจารณากายในกายอันเรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานที่ตั้งที่ปรากฏของสติที่ใช้เป็นอนุปัสนา คือดูตามไปซึ่งกายในกายคําว่าในกายเป็นคํารวมหมายถึงว่าในกายทั้งหมดแต่ว่าในกายทั้งหมดนี้มีส่วนต่างๆอยู่มากก็จะต้องดูไปทีละอย่างจะยกส่วนไหนขึ้นมาพิจารณาก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพิจารณากายในกายคือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นว่าลมหายใจเข้าออก ออิริยาบถเป็นต้นแต่ก็พิจารณาอยู่ในกายอันนี้จะพิจารณากายในเวทนาในจิตในธรรมก็ไม่ได้เมื่อจะพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกายหรือว่าที่กายอันนี้พิจารณาภายในบ้างภายนอกบ้างภายในก็คือที่กายของตนภายนอกก็คือที่กายของผู้อื่น แต่ว่าที่กายของผู้อื่นนั้นก็เป็นแต่เพียงเทียบเคียงว่ากายของเราฉั้นใดของผู้อื่นก็ฉันนั้นไม่ใช่ว่าให้ไปจ้องพิจารณาที่ตัวเขาจริงๆถ้าไปจ้องเขาอย่างนั้นบางทีจะกลับเกิดกิเลสขึ้นอีกแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าภายในก็คือที่ว่าเป็นส่วนละเอียดภายนอกก็คือที่เป็นส่วนหยาบ ภายในที่เป็นส่วนละเอียดนั้นก็คือกาหนดให้เป็นนิมิตที่กาหนดขึ้นที่ใจของตัวส่วนภายนอกนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนหยาบที่เป็นตัวกายจริงๆที่แรกก็ต้องหยาบก่อนจะเรียกว่าภายนอกก็ได้เช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องกำหนดที่ลมหายใจจริงๆเช่นกำหนดที่ปลายดั้งจมูกหรือที่ริมฝีปากบน ซึ่งเป็นจุดที่ลมหายใจผ่านเมื่อเข้าและออกแต่ว่าคร um ั้นลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็มากำหนดนิมิตขึ้นที่จิตเปรียบเหมือนอย่างว่าเหมือนตีระฆังเสียงระฆังก็ดังขึ้นก็กำหนดเสียงระฆังนั้นครั้นเสียงระฆังนั้นเงียบไปแล้วก็กำหนดนิมิตของเสียงระฆังนั้นเสียงระฆังจริงๆนั้นเงียบไปแล้ว แต่ว่านิมิตของเสียงรักขังในใจยังไม่เงียบยังกำหนดอยู่เสียงรักขังจริงๆนั้นเรียกว่าเป็นภายนอกแต่ว่านิมิตของเสียงรักขังที่อยู่ในใจเรียกว่าเป็นภายในลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจจริงๆที่กำหนดในตอนแรกเรียกว่าเป็นภายนอกแต่ว่านิมิตของลมหายใจที่เป็นในจิต เรียกว่าเป็นภายในนี่ก็เรียกว่าเป็นภายนอกภายในอีกอย่างหนึ่งข้ออื่นๆก็เหมือนกันและท่านให้พิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกให้ตรงกันและก็ให้พิจารณาทั้งเกิดทั้งดับด้วยเรื่องของเกิดดับนี้เมื่อสติกําหนดอยู่ที่กายดังกล่าวมานี้ความเกิดก็จะปรากฏขึ้นความดับก็จะปรากฏขึ้น อย่างเช่นลมหายใจใหายใจเข้ามาหายใจออกไปนี้ก็เกิดดับกันหนหนึ่งแล้วก็เกิดก็ดับกันทุกๆขณะที่หายใจเข้าหายใจออกอิริยาบถต่างๆก็เหมือนกันเมื่อเดินอยู่หยุดเดินยืนอาการเดินนั้นก็ดับแล้วเมื่อยืนเลิกยืนมานั่งอาการยืนก็ดับมาเป็นนั่ง ก็เกิดดับกันอยู่ดังนี้จนกว่าชีวิตดับเป็นศพเมื่อเป็นศพแล้วศพนั้นก็จะต้องแตกสลายจนเป็นกระดูกละเอียดปนก็เป็นอันว่าดับไปหมดแต่ว่าในการพิจารณานั้นก็จะต้องยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นที่ตั้งของความรู้ในขั้นนี้ยังไม่ปล่อยให้ว่างไปหมด ยังต้องกำหนดให้เป็นอารมณ์ไว้ในจิตแต่ว่าก็ให้กำหนดสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งของสติและเป็นที่รู้เท่านั้นไม่ให้เกิดความยึดถืออะไรอะไรขึ้นได้และระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้นได้เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าได้ทำกายานุปัสนาสติปทานแต่ในขั้นที่ปฏิบัตินั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะพิจารณาวรวดเดียวไปทุกประการเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ตนชอบที่ตนพอใจซึ่งเป็นสัปพายะของตัวก็ใช้ได้และเมื่อทำใจให้เป็นสมาธิได้แล้วจะยักย้ายไปอย่างอื่นก็เห็นง่ายเข้าเห็นชัดเข้า เวทนานุปัสนาแสดงวิธีปฏิบัติสืบต่อขึ้นไปการตั้งสติในกายดังกล่าวมาโดยลำดับนั้นเมื่อนั่งปฏิบัติก็อาจจะรู้สึกไม่สบายเช่นว่าเมื่อยขบเหนื่อยในยทําให้กระสับกระส่ายเพราะถ้าไม่คุ้นเคยปฏิบัติเริ่มปฏิบัติทีแรกจะรู้สึกเช่นนั้นไม่สบาย ไม่สนุกสนานเหมือนอย่างการปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปทางอื่นเช่นดูภาพวิวที่สวยงามฟังวิทยุดูหนังสือหรืออะไรทั้งนองนั้นแต่ว่าเมื่อได้ลองควบคุมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่ตั้งมีความคุ้นเคยเข้าโดยลำดับเกิดจะได้รับความสุขในการปฏิบัติและเมื่อได้รับความสุขในการปฏิบัตินั้นก็จะเริ่มได้รัของสมาธิและก็จะรู้สึกว่า ความสุขที่ได้รับจากความสงบนั้นละเอียดประณีตยิ่งกว่าความสุขอันเกี่ยวแก่รูปรสกลิ่นเสียงดังที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างไรก็ให้ตั้งสติกหนดรู้เรียกว่าเลื่อนเข้ามารู้เวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเมื่อเลื่อนเข้ามาดูเวทนาดังนี้ จะพบว่าในตนของเรานี้ก็เต็มไปด้วยเวทนาและเวทนานี้เองเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้จิตใจเป็นอย่างไรเวทนาที่กาหนดดูนี้ก็ดูที่เวทนาตัวจริงที่ประสบอยู่ในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่ถ้ารู้สึกว่ามีความสุขก็ให้รู้ว่านี้เป็นสุขเวทนาถ้ารู้สึกว่ามีความทุก ก็ให้รู้ว่านี้เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ว่านี่เป็นอนทุกขมะสุ ข, ขเวทนาและแม้ว่าเป็นสุ ข, ขเวทนาก็ต้องให้รู้ว่าเป็นสามิตรหรือเป็นยุรามิตรเช่นว่าในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่สติหลุดออกไปนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโธพธิภพ ที่น่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจและเกิดเป็นสุขขึ้นนี่ก็ให้รู้ว่ามีสุขอย่างนี้เป็นสามิสุขสุขที่เกิดจากอามิตรที่มีอามิตรคือวัตถุเครื่องล่อใจแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเกิดจากสมาธินี่ก็เป็นยุรามิสุขสุขที่ไม่มีอามิตร ทุกก็เหมือนกันถ้าขณะที่นั่งอยู่ได้รับความทุกข์เช่นว่าเมื่อยขบถูกยุงกัดกระสับกระส่ายต่างๆนี้ก็จัดว่าเป็นพวกสามิทุกทุกที่มีอามิ t h ทั้งนั้นเพราะเกี่ยวแก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดจากความยังไม่ได้ไม่ถึงสมาธิต้องการจะให้ได้ให้ถึงก็ยังไม่ได้ไม่ถึง มีความทุกข์เพราะเหตุนี้ก็จัดว่าเป็นนิรามิททุกทุกที่ไม่มีอามร i t h ทุกข์มสุขก็เหมือนกันถ้าว่าเฉยๆไปเพราะความคุ้นอันเกี่ยวแก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพักข้างนอกนั่นก็เป็นสามิทมีอามิตรแต่ว่าถ้าเกี่ยวด้วยอุเบกขาภายในจิตที่เกิดจากสมาธินี่ก็เป็นนิรามิรไม่มีอามิ t h ในขั้นปฏิบัตินั้นทุกจะละไปได้ก็ด้วยสุขคือเมื่อที่แรกก็มีทุกในการปฏิบัติดังกล่าวแต่เมื่อการปฏิบัตินั้นได้ประสบผลเข้าบ้างก็มีความสุขทุกก็หายไปราวนี้เมื่อจิตละเอียดเข้าสุขก็หายไปเหลือแต่อุเบคาซึ่งเป็นอุทุกขมสุขเพราะฉะนั้น ในขั้นปฏิบัตินั้นอทุกขมสุขเป็นขั้นสูงการที่ตั้งสติพิจารณาให้รู้ดังนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา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 ความรำคาญความขัดเคืองอทุกขมสุขเวทนาความไม่ทุกข์ไม่สุขก็ชักจิตให้มีโมหะคือความหลงสยบติดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอกีก็ต้องมาดูที่จิตจิตมีราคะหรือไม่มีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะ ก็ให้รู้จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ให้รู้นอกจากนี้ก็ให้รู้อาการของจิตเปลี่ยย่อยที่ประกอบอยู่กับหัวข้อทั้งสามนี้คือว่าจิตหดหูหรือฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตกว้างขวางหรือคับแคบก็ให้รู้จิตที่ยิ่งไม่ยิ่งก็ให้รู้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 ในการปฏิบัติทั้งสามขั้นที่กล่าวมานี้ท่านในขั้นฝึกหัดตรวจกายเรื่อยๆมาตรวจเวทนาเรื่อยๆมาตรวจจิตเรื่อยๆมาคล้ายกับว่าเราอบพยกเข้าไปอยู่กุฏิใหม่ก็เดินดูซีให้ทั่วอะไรอยู่ที่ไหนบ้างกว้างขวางเท่าไรแต่ว่าเวลาที่เราจะพักจริงๆนั้นเราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียวเช่นว่าจะนอน ก็ตั้งเตียงนอนแห่งเดียวไม่ใช่ว่าเดินไปรอบๆอยู่วันยังค่ำคืนยันรุ่งก็เป็นอันว่าไม่ต้องพักกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พักจริงๆนั้นเราพักอยู่เพียงแห่งเดียวนี่ก็เหมือนกันเราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียวคือว่าถ้าชอบอานาปานสติก็พักอยู่ที่อาณาปานสติ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 ธรรมานุปัสสนานิวรขันธ์อายตนะวันนี้จะอบรมธรรมะปฏิบัติในหมวดธรรมการตั้งสติกำหนดใจให้เป็นสมาธินั้นในสติปัฏฐานให้รวมใจมากำหนดที่กายอันนี้ตรวจดูส่วนต่างๆที่กายอันนี้เหมือนดังที่ได้อธิบายแล้ว แต่ก็เป็นการตรวจดูทั่วๆวไปเหมือนอย่างเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่งก็ตรวจดูในบ้านนั้นทั่วๆไปแต่การที่จะนั่งพักนอนพักในบ้านเพียงแห่งเดียวชอบใจจะนั่งพักนอนพักที่ไหนก็นั่งพักนอนพักที่นั้นในกายอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อตรวจดูทั่วๆไปแล้วจะนั่งที่ไหนก็กำหนดเอาไว้จุดหนึ่งแต่ให้อยู่ภายในกายอันนี้ เช่นกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกด้วยตั้งนิมิตคือที่กำหนดไว้เช่นริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกซึ่งเป็นที่ลมกระทบดังที่กล่าวมาแล้วและเมื่อรู้สึกเวทนาอย่างใดก็ให้รู้เช่นว่าเมื่อได้รับทุกขเวทนาเช่นถูกยุงกัดหรือว่าร้อนหรือว่าส่งใจนึกออกไปข้างนอกมีเรื่องทําให้เป็นทุกข์ก็ให้รู้ แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่ามีอะไรเป็นเครื่องล่อให้เกิดเวทนาอันนั้นและเมื่อไม่แพ้ทุกเขเวทนาย่างตั้งใจไว้มั่นต่อไปทุกเขเวทนาก็จะค่อยๆสงบไปราวนี้ไม่ได้รับสุข เ, ขเวทนาคือความสบายก็ต้องให้รู้และก็ต้องให้รู้ด้วยว่าอะไรมาเป็นเครื่องล่อสุข เ, ขเวทนาเช่นว่าได้รับลมเย็น หรือบางทีใจลั่นออกไปข้างนอกไปพบอารมณ์ที่น่ายินดีก็เกิดความยินดีขึ้นเมื่อคอยรู้เวทนาอยู่อย่างนี้เวทนาที่มีเครื่องล่อข้างนอกก็จะน้อยลงใจก็จะสงบเข้าสงบเข้าจนถึงสงบมากก็จะได้รับเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เรียกว่าเป็นอุบเบกขานี้ก็เหมือนกันบางทีเฉยเฉยด้วยโมหะ ก็ต้องให้รู้ว่าความโง่นั่นเองมาทาให้เฉยเฉยแต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไปจนเกิดความรู้สึกเป็นอุบเบกขาเพราะจิตสงบนั่นหละเรียกว่าเป็นอันเจริญการปฏิบัติสูงขึ้นคราวนี้ก็ต้องให้ดูเข้ามาถึงจิตใจจิตใจเป็นอย่างใดก็ต้องให้รู้และจิตใจนั้นเป็นฝ่ายที่เป็นกิเลส ก็นึงมาจากเวทนานั่นเองสุขเวทนาก็มาปรุงให้จิตมีราคะทุกขเวทนาก็มาปรุงให้จิตมีโทสะอธุกขมมสุขเวทนามาปรุงให้จิตมีโมหะแต่ว่าถ้าคอยดูให้รู้อยู่เวทนาก็ปรุงจิตไม่ได้จิตก็ปราศจากราคะโทสะโมหะดังนี้เป็นต้นก็ต้องกำหนดดูให้รู้ แต่ถ้าเพียงเท่านี้จิตกับกิเลสก็ยังเนื่องกันฉะนั้นก็ต้องกำหนดให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือให้ดูเฉพาะกิเลสคือภาวะในจิตว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องคำนึงถึงตัวจิตแต่ดูภาวะในจิตกามฉันคือความพอใจติดใจลหลงไหลใฝ่ฝันในกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางกาย มีหรือไม่พยาบาทมีหรือไม่ทินามิธาความง่วงงูลเคลื่เคลิมมีหรือไม่อุทธจักกุฎจักความฟุ้งซ่าน ร, ราคาญมีหรือไม่วิจิกิจฉาความเคลื่อนแคลงสงสัยมีหรือไม่ มาเหตุผู้อ่านทั้งห้าอย่างนั้นรวมเรียกว่านิวรณห้าสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมธรรมะที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีอกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกํำลังเมื่อทำสมาธิ ตั้งจิตกำหนดลมหายใจดังกล่าวแล้วอยู่ถ้าสติกำหนดมั่นคงนิวรณ์ก็ไม่มีโอกาสแต่ว่าถ้าจิตลาบออกไปก็ต้องคอยดูให้รู้ใจว่ากามาชันเข้ามาหรือเปล่าพยาบาทเข้ามาหรือเปล่าเป็นต้นบางทีกามาชันสงบพยาบาทสงบแต่ก็ยังมีล่อแหลมอยู่อีกสองคือง่วงกับฟุ้งซ่านถ้ากำหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไปนี่ก็ให้รีบรู้แล้วก็ชักเข้ามาเมื่อชักเข้ามาจิตสงบบางทีง่วงเพราะว่าความง่วงกับความสงบใกล้กันก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่อย่าให้หลับอย่าให้เผลอผลาบางทีใจตื่นอยู่ด้วยสติและด้วยรู้แต่ก็ไม่เห็นจะได้จะถึงอะไรก็สงสัยจะไม่มีผลกระมัง หรือว่าอะไรจะมาปรากฏต่อไปก็คิดสงสัยไปดังนี้ก็เป็นอันตรายแกสมาธิฉะนั้นก็ต้องอย่าสงสัยหน้าที่ก็คือว่าดําเนินการปฏิบัติต่อไปและผลของการปฏิบัติก็จะมาปรากฏขึ้นเองการที่คอยกําหนดให้รู้ทันนิวรณ์และคอยระ ง, งับนิวรณ์ดังกล่าวมานี้เป็นการเลื่อนการปฏิบัติขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เข้าในหมวดธรรมแต่ว่าก็ควรจะรู้ต่อไปอีกว่านิวรนนั้นเดินมาทางไหนอาศัยอะไรนิวรนนั้นอาศัยเบญจขันธ์หรือขันห้าเข้ามาคืออาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณรูป ก็คือรูปกายที่ประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งสี่เป็นมหาภูตธรูปและประกอบด้วยอุปาทายรูปรูปอาศัยรวมกันเป็นรูปกายเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยเฉยสัญญานี้ก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุง หรือความปรุงคิดวิญญาณก็คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสิ่งที่กายถูกต้องและได้รู้เรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นในอดีตที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามธรรมรวมเรียกว่านามรูปนามรูปอันนี้ เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสถ้าไม่มีนามรูปกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัยเท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลสคราวนี้เมื่อรู้บ้านของกิเลสแล้วก็ต้องรู้ประตูบ้านบ้านนั้นถ้าหากปิดประตูหน้าต่างหมดอะไรก็เข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเมื่อเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้กิเลสจึงจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักบ้านของกิเลสคือเบญจขันธ์อันได้แก่นามรูปนี้แล้วก็ต้องรู้ประตูหน้าต่างของบ้านซึ่งเป็นทางเข้าของกิเลสด้วยก็ได้แก่อายตนะภายในหซึ่งเป็นตัวทวารหกก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจทั้งหกนี้ เรียกว่าวานรก็ได้คือเป็นประตูสำหรับอารมณ์เข้ามาอารมณ์ก็คืออาญตนะภายนอกหกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือสิ่งต้องกายและธรรมะคือเรื่องคือธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจคิดใจนึก เมื่อเรียกคู่กับอายตนะภายในก็เรียกว่าอายตนะภายนอกแต่เมื่อเรียกคู่กับทวานก็เรียกว่าอารมณ์แต่เรียกอย่างไนก็ได้อายตนะภายในก็ดีทวานก็ดีก็เป็นอันเดียวกันอายตนะภายนอกก็ดีอารมณ์ก็ดีก็หมายความถึงอันเดียวกัน อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพและธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่เข้ามาทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นประตูเข้าเบญจขันธ์หรือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นเป็นบ้านจิตก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างใน อารมณ์ที่เข้ามานั้นโดยปกติก็เข้ามาเป็นสังโยชน์คือมาผูกมัดรัดเรึงจิตไว้เมื่อมาผูกมัดรัดเรึงจิตไว้จึงได้เกิดเป็นนิวรณ์ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่เข้ามาผูกจิตนิวรณ์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจิตต้องรู้จักว่านี่เป็นบ้านอาศัยของกิเลสนี่เป็นทวารคือประตูบ้าน สำหรับกิเลสจะเข้ามาและนี่เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่เข้ามาถ้ารู้อยู่ดังนี้อารมณ์ก็จะไม่เข้ามารัดรึงจิตได้คือไม่เข้ามาเป็นสังโยชน์เครื่องประกอบเครื่องรัดรึงผูกมัดจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยมีสติอยู่เต็มตัวสติต้องให้อยู่เต็มบ้านสติ ต้องให้อยู่เต็มทุกประตูเมื่อมีสติคอยรับรองอยู่ดังนี้อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตไม่ได้ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าหากเผลอสติเข้าเมื่อใดอารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตได้เมื่อผูกมัดจิตได้ก็เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีสติรู้ลู่ทางไว้รอบคอบ การที่กําหนดให้รู้จักขันห้าให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกให้รู้จักสังโยชน์คืออารมณ์ที่เข้ามาผูกรัดเริงจิตไว้ให้ตลอดดังนี้ก็เป็นการรู้ที่เป็นการป้องกันตัวด้วยเป็นการแก้ไขด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ก็ชื่อว่าไม่รู้การป้องกันการแก้ไขทำสมาธิก็ไม่สําเร็จฉะนั้น ในหมวดธรรมะนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักนิวรให้รู้จักขันห้าให้รู้จักอายตนะให้รู้จักสังโยชน์พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระงับและวิธีปฏิบัติก็ตรวจดูลู่ทางให้รู้ให้ทั่วถึงแต่ว่าการกำหนดใจให้เป็นสมาธินั้นก็กำหนดอยู่ในอาณาปานสติเป็นหลัก และเมื่ออะไรจะพลอภักเข้ามาก็ให้รู้ลู้ทางแล้วก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีกลับมาทำใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโพ้ชง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 แล้วมาพักอยู่ที่ส่วนอาณาปานะเมื่อประสบเวทนาอันใดเมื่อจิตเป็นอย่างใดก็ให้รู้เพื่อมีให้เป็นอันตรายแกสมาธิในอาณาปานสติประคองอาณาปานสตินั้นแล้วก็ให้ตรวจดูอาการของจิตคือว่าแยกออกไปจากจิตคือดูนิวรณ์ในจิตที่ล่อแหลมอยู่ก็คือง่วงกับฟุ้งดังที่กล่าวแล้ว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 อารมณ์ก็ตามนิมิตก็ตามอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดียินร้ายก็ต้องละทั้งหมดหลักอันนี้ทิ้งไม่ได้คนที่ทาการปฏิบัติและสติเสียไปก็เพราะเหตุว่าทิ้งหลักอันนี้ทาไม่สาเร็จก็เพราะขาดอาตาปีมักจะสะดุง้งเหมือนยังเป็นโรคประสาทก็เพราะขาดสัมปชาโนโ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 ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติในสมาธิในเบื้องต้นก็จะได้อุปจาระคือว่าสมาธิเฉียดเฉียดก่อนแล้วก็จะได้อัปปนาคือแนบแน่นเข้าโดยลำดับต้องอาศัยอุปกรณ์คือ 1. วิตก 2. วิจาร วิตกนั้นได้แก่การนาจิตเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิที่เปรียบเหมือนอย่างการเคาะระคังขึ้นทีแรกวิจารนั้นได้แก่การนำจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์เหมือนอย่างเสียงกลางของระคังในตอนต้นจะต้องใช้วิตกวิจารอยู่เรื่อยคือมื่อชักจิตเข้ามาอยู่กับอารมณ์ จิตก็มักจะลุดออกไปรับออกไปโ น, โน้นรับออกไปนี่ก็คอยๆชักกลับเข้ามาอยู่เสมอโดยต้องใช้อยู่เสมอจนจิตค่อยเชื่องเข้าและค่อยแนวอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเรียกว่าคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเมื่อจิตเริ่มคลุกเคล้าเข้ามาดังนี้ก็เริ่มเป็นวิจาร์เมื่อค่อยเป็นวิจาร์ขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า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 ต้องคอยคุมสติไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุขและเมื่อกายใจเป็นสุขจิตก็จะตั้งมั่นเป็นเอกัคตาคือมีอารมณ์เดียวซึ่งเกิดจากวิเวก ค, คือสงัดจากกามและจากอากุศลรธรรมทั้งหลายเพราะในเวลานั้นกามก็สงบไปจากจิต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 คราวนี้เมื่อรักษาเอกคตตาอันนี้ไว้สนิทแนบเนียนยิ่งขึ้นวิตกวิจารณ์ก็เลิกใช้เพราะว่าจิตก็หนึ่งแล้วไม่ต้องคอยเฝ้าชักจิตเข้ามาสู่อารมณ์ซึ่งเรียกว่าวิตกไม่ต้องคอยเฝ้าประคองจิตไว้ให้แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ซึ่งเป็นวิจารณ์เพราะว่าจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ได้แล้ววิตกวิจารก็หมดหน้าที่ เอกัคตานั้นก็ละเอียดเข้าเรียกว่าเกิดจากสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นเอกคคตาข้างในเข้าเมื่อถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าได้ธุติยชาญความเพ่งที่สองมีองค์สามคือปีติสุขเอกคคตา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 ความเพ่งที่สามซึ่งมีองค์สองคือสุขกับเอกาคคตาเมื่อรักษาเอกาตคตาอันนี้ให้แน่วแน่ยิ่งขึ้นก็สิ้นความรู้สึกเป็นสุขกลายเป็นอุเบกขาคือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่จิตก็ยังแย่งมารู้สึก ก็แปลว่าจิตยังเป็นสองงามคือว่าแนวอยู่กับอารมณ์ด้วยรู้สึกด้วยเมื่อเอกะขคตตาละเอียดเข้าจิตก็มารวมอยู่กับเอกะขัตตาอันเดียวไม่ออกมารู้สึกข้างนอกลักษณะอันนี้ก็เป็นอุเบกขาคือไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็นจตุทถาชานคือชานที่สี่มีองค์สอง คือเอกกคตาอุเบคาในทางปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติทมสมาธิให้มากเรื่อยขึ้นไปจนถึงฌานชั้นที่สี่หรือจะเอาแต่ฌานชั้นที่หนึ่งก็ได้ที่สองก็ได้ที่สามก็ได้จิตที่เป็นเอกกคตาแม้ด้วยฌานชั้นที่หนึ่งก็เรียกว่า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 ดูลักษณะหน้าตาของอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะสิ่งต้องกายธรรมะคือเรื่องราวหรือธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจคิดใจนึกนามธรรมเกิดขึ้นอาศัยอายตนะกระทบกันคือเกิดภัสสะและเมสินวาระก็ดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่ง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 สังโยชน์คือเครื่องผูกก็เข้ามาผูกอารมณ์ไว้กับจิตเมื่อผูกอารมณ์ไว้กับจิตถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของสันทราคะก็เกิดกามาฉันถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดพยาบาทถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโมหะก็เกิดทีนามิทาความหดหู่ง่วงเหงาซึมเศร้า อุทธาจากกุฏจัความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอายตนะนี่เองนำให้เกิดนามธรรมนาให้เกิดเครื่องผูกจิตคือผูกจิตไว้กับอารมณ์หรือผูกอารมณ์ไว้กับจิตแล้วก็นำให้เกิดนิวรณ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 นี่เป็นสังโยชน์ผูกใจเขาแล้วนี่เป็นนิวรดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี้ก็เป็นธรรมะวิจยะสัมโพชงเมื่อวิจัยออกไปได้แล้วก็ทําหน้าที่ละส่วนที่เป็นกิเลสอบรมส่วนที่เป็นสติให้มากขึ้นแต่ว่าในขั้นนี้นั้นละเป็นสําคัญ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 ใจก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงเมื่อใจมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นก็เพ่งดูธรรมะนั้นด้วยจิตสมาธินั้นคือดูความจริงที่ปรากฏขึ้นกิเลสที่อาศัยอายตนะเกิดสงบความจริงของปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าไม่ปรากฏก็เพราะไม่ดู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 ก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่แท้ดูให้ความจริงนั้นให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นเองดูที่ไหนก็ดูที่ปัญจขันอันนี้เมื่อดูอยู่ด้วยสมาธิจิตที่เป็นสัมโพชงก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญาหรือเลื่อนจากขั้นสมถะมาในขั้นวิปัสนาเมื่อมาถึงขั้นวิปัสนาแล้วก็ต้องยกปัญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ในขั้นของสมถะนั้นยกอนาปานสติเป็นอารมณ์เมื่อมาถึงขั้นวิปัสนายกปัญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ เมื่อยกปัญจคันเป็นอารมณ์ก็ดำเนินมาตั้งแต่ขึ้นสติสัมโพชฌงเป็นลาดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงพิจารณาตรวจดูแล้วจะปฏิบัติในสมาธิหรือจะลองหัดพิจารณาในด้านวิปัสสนาก็ได้ถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนา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 แล้วผลก็เป็นปีติเมื่อเป็นปีติเป็นสุขแล้วก็จะเป็นสมาธิเป็นอุเบคาอุเบคานั่นก็ไม่ใช่อื่นก็กลับมาดูปัญจขันธ์นั้นให้ความจริงของปัญจขันธ์ปรากฏนี้เป็นแนวปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาตามสติปัฏฐาน ริยสการอบรมในวันนี้จะสืบต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงโพชมงแต่จะย้อนกล่าวเพื่อให้อนุสนทิกันว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นทำทางสมถะและทำทางวิปัสนาในหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตดังเนินทางสมถะครั้นถึงหมวดธรรมะ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 เห็นความเกิดเห็นความดับชัดเจนขึ้นทุกข์สัตว์ความจริงคือทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดูที่ทุกข์สัตว์จะสมุทยัทยสัตวจะสาเหตุแห่งทุกข์ก็ปรากฏคืออัตตาหรือเราซึ่งยึดอยู่ที่ปัญจขันยึดนี้เป็นอุปาทานยึดด้วยอะไรยึดด้วยตันหา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 รู้นาตาของสมูทยัยสมูทัยก็จะสงบนิโรธคือความดับก็ปรากฏขึ้นสมูทัยปรากฏขึ้นแก่อะไรปรากฏขึ้นแก่ความรู้ความรู้นั้นก็เป็นรู้ปล่อยความรู้วางก็ปรากฏขึ้นเป็นมครคซึ่งเมื่อประมวลถึงอาการทั้งปวงของมครค ก็เป็นองค์แปดคือเมื่อจะดูความรู้ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะดูความดำริก็เป็นสัมมาสังคัปปะเมื่อจะดูความปกติกายปกติวาจาก็เป <Well, S 2> ็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะดูความเป็นอยู่ก็เป็นสัมมาอาชีวะดูความเพียรที่ปฏิบัติอยู่นั้น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 สติปัฏฐานนี้เป็นหนทางอันเอกคือเป็นทางดําเนินอันเดียวเพื่อวิสุทธิคือความหมดจดซึ่งจะทำให้ล่วงโศกะปริเทวะดับทุกทมนตเป็นทางที่จะให้ดําเนินไปเพื่อยาญธรรมเพื่อนิพพานหมายเหตุยาญธรรมคือหนทางที่ถูกต้องหรืออริยมรรคความหมายสูงสุดของคำนี้ก็คือนิพพาน